หลักการวางใจเมื่อลำบากใจที่จะให้ยืมเงิน 1. ถ้าไม่ได้คืนแล้วเดือดร้อนภายหลังไหม 2. รู้สึกว่าตัวเองใจร้ายดูดายหรือเปล่า 3. ฝืนใจเพราะกลัวถูกด่าวหรือเปล่า 4. รับได้ไหมหากโดนเนรคุณในวันหน้า ตอนโดนยืมเงินไม่อยากให้เลยแต่มักใจอ่อนทำอย่างไรให้ใจแข็งเดี๋ยวนี้บางคนถึงขั้นเล่นของก่อนออกจากบ้านไปยืมเงินใครจะจุดธูปบายพระสวดขอพรเทวดาอธิษฐานขอให้บุคคลนัน้นเป็นเป้าหมายใจอ่อนเห็นหน้าข้าพเจ้าแล้วจงยอมให้ข้าพเจ้ายืมแต่โดยดีบางทีก็ติสนิทข้ามปีทำดีด้วยทุกอย่าง เพียงรองมุ่งหมายจะขอก้อนใหญ่ในไม่ช้าคนยุคเราเงินขาดหมือนกันมากเลยกลายเป็นปัญหาทางใจของคนใกล้ตัวหลายคนต้องเผชิญสถานการณ์ประเภทเป็นกระความเป็นญาติพี่น้องเถอะหรือผิดเองที่ยอมสนิทด้วยหรือกระทั่งโทษฐานที่รู้จักกันห่างๆหลายครั้งลำบากใจ รู้สึกเหมือนเป็นคนใจดำอมหิทธ์ถ้าเห็นคนรอบตัวตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ให้ยืมเงินทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากเผลอๆฐานะโดยรวมด้อยกว่าคนยืมซะอีกการให้ทานถ้าให้เศษเงินส่วนเกินได้โดยไม่ลําบากก็ดีแต่ถ้ายังมีไม่มากขนาดเห็นเป็นเศษเงินก็ควรมีหลักการวางใจให้อยู่ตรงที่ที่สบาย อา จ, จเริ่มจากการถามตัวเองง่ายๆว่าหนึ่งเงินจำนวนที่ให้ไปถ้าไม่ได้คืนแล้วเดือดร้อนในภายหลังไหมหากตอบตัวเองว่าเดือดร้อนแม้ทางใจก็ให้บอกคนยืนไปเต็มปากเต็มคำว่ามีไม่พอคือไม่พอที่จะช่วยเขาต้องเอาไปช่วยเราช่วยครอบครัวตัวเองก่อน และบอกตัวเองว่านี่เรียกว่าใจแข็งไม่ใช่ใจดํา 2. รู้สึกว่าตัวเองใจร้ายดูได้หรือเปล่าหากตอบตัวเองว่าเป็นทุกข์จากการไม่ช่วยก็ให้ยืนยันกับตัวเองและยืนยันกับคนยืมอย่างหนักแน่นว่าการช่วยมีหลายวิธี วิธีช่วยที่ดีที่สุดคือให้คำแนะนำถ้าให้คำแนะนำแล้วยังไม่อิ่มใจเป็นเขายังงงๆหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอก็อาจจะกุลีกุจอวิงเต้นติดต่อสถาบันการเงินให้ท่องไว้ว่าถ้าเขาคิดจะคืนจริงก็ให้เขายืนยันความตั้งใจนั้นกับธนาคารอย่ามารับปากเอากับคุณ ที่ไม่มีพนักงานทวงนี้เป็นมือเป็นเท้าแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าถ้าใจดีจริงต้องช่วยให้เขาได้ดีจริงจริงให้ยืมง่ายไปเขาอาจเสียคนเพราะยืมเพื่อนยืมญาตมันง่ายทำให้คนบางคนเคยตัวได้เราอย่าไปมีส่วนทำให้เขาเสียคนเลยนักยืมเงินญาติเกินครึง่งยืมแล้วไม่อยากคืนคืนแล้วเสียดาย อ, อ้เข้าปากช้างแล้วทําไมต้องขายด้วยขาดเงินอีกก็หายาที่ยังไม่เคยยืมอีกพวกนี้พอก่อห น, นี้สินท่วมหัวจนติดปัญญาสัยก็มักมีชีวิตเป็นนักสร้างหนี้ไปจนตายเกิดใหม่ก็ต้องไปชดใช้ต่ออีกเพราะใช้ชีวิตก่อกรรมในทางสร้างหนี้ไว้เป็นหลักพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็คิดว่าเราย่ามีส่วนส่งเสริม ให้เขาได้มีสิทธิ์เป็นคนพ น, นั้นเลยท่องไว้แม่นๆว่าถึงแม้เราให้ก็ไม่ได้แปลว่าช่วยให้เขาพ้นความเดือดร้อนเสมอไปแต่อาจเพิ่มคนเดือดร้อนขึ้นอีกคนคือเราเองสฝืนใจเพราะกลัวถูกดาวหรือเปล่าหากถูกต่อว่าซึ่งๆึหน้า ประมาณแลงน้ำใจที่ไม่ให้ความช่วยเหลือสำเร็จรูปคือเงินเป็นก้อนๆ ก, ก็ให้ทำไว้ในใจว่าคนเห็นแก่ตัวแลงน้ำใจไม่ใช่เราแต่เป็นเขาต่างหากจะเอาตัวรอดเอาที่สบายใจตัวเองแล้วมาว่าเราโดยไม่คิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าหรือเราจะเป็นกังวลแค่ไหนขอให้ทราบว่า คนที่ยืมเงินไม่ได้เราดาศาสานั้นไม่มีความเกรงใจไม่มีความละอายอยู่เลยคนไม่มีความละอายนั้นรอมชักดาบตาไม่กระพริบแน่ๆถ้าคุณจะต้องเสียเพื่อนหรือเสียญาติแบบนี้ไปก็อย่าได้เสียใจหรือเสียดายอดีตดีๆที่ผ่านมาเพราะอดีตที่ดีๆเหล่านั้นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นปกปิดจิตใจที่ดามืดก็ได้ ข้อที่สี่รับได้ไหมหากให้ยืมไปวันนี้แล้วโดนเนรคุณในวันหน้าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงหลายๆคนช่วยใครแทนที่เขาจะสำานึกบุญคุณหลับมาแวงกัดด้วยเหตุผลทางอารมณ์แบบคนที่ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณใครต้องหาทางทำให้ผู้มีบุญคุณ กลายเป็นคนเลวในสายตาของสังคมเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นคนเลวในความจําของตนและในสายตาของคนอื่นคุณไม่มีทางรู้จักใครจริงล่วงหน้าเพราะแม้แต่เขาเองก็อาจไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นอารมณ์ติดหนี้บุญคุณมันอาจพาไปเองในวันหนึ่งสรุป ค, คือท่องไว้ว่า การให้ทานนั้นดีให้ได้ก็ให้คนที่ให้ได้แล้วให้นั้นยิ่งให้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์เจอเพื่อนแท้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีพอจะให้และฝืนใจให้แบบนี้ยิ่งให้ยิ่งมีสิทธิ์สร้างศัตรูคู่แค้นขึ้นมาแทน